นี่คือรายการธรรมรับบรุนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับเจ้าพระไพบูลอภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเรามาพบกันเป็นประจำทุกวันในวันนี้ก็เป็นวันที่ทำหน้าที่เหมือนเดิมทำหน้าที่ของสมณะที่จะทำสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจง้งได้ฟังอะไรไป จำได้ไหมเมื่อวานเราได้ฟังคำสอนของพู้เช่าเป็นตถาคตภาสิทธิ์เป็นพุทธวจนะที่ท่านพุทธทาสได้แปลเรียบเรียงรวบรวมออกมาจากพระไตรปิฎกเลือกเฉพาะส่วนที่เป็นพุทธวจนะมารวบรวมเรียบเรียงเป็นเรื่องๆตัดย่อๆมาจากพระสูตรยาวๆแต่มาเป็นหมวดเป็นหมู่ที่รวบรวมกันไว้เราพูดถึงธรรมะของครวาสอยู่ในช่วงนี้ ได้อ่านข้อมูลต่างๆที่เป็นพุทธวจนะเหล่านี้ให้ฟังในการฟังนี้พริชาบอกว่าสิ่งที่เป็นถาคตภาษิทธ์เนี่ยที่เป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเนี่ยให้ฟังด้วยดีให้เงี่ยหูฟังให้ตั้งจิตเพื่อที่จะรู้ทั่วถึงฟังด้วยดีนี่หมายความว่างไงหมายความว่าเราพยายามที่จะมีท่าทางในการนั่งฟังคือเวลาฟังธรรมอย่างเงี้ยพระพุทธเาไม่ให้ นั่งกอดเขา่าหรือถ้าไม่ป่วยก็อย่านอนนะคือให้นั่งฟังด้วยดีฟังดีๆว่า ง, งั้นอยู่ในท่าทางที่เหมาะสมถ้านอนอยู่ก็ลุกได้ซะว่ า, า ง, งั้นถ้าไม่ป่วยนะถ้าป่วยก็นอนได้ไม่ว่าอะไรทีนี้อันที่สองคือเงี่ยหูฟังเงี่ยหูฟังหมายถึงว่าตั้งใจฟังพยายามคือไม่คือฟังเนี่ยบางทีมันมีเสียงอย่างอื่นด้วยอย่างเราฟังดนตรีใครไปฟัง วงดนตรีซิมโฟนีออเคสตราอย่างเงี้ยนะก็จะมีไวโอลินเปียโนกลองแซกซ์โฟโนเครื่องมืออะไรต่างเอาเยอะแยะแต่เราเงี้ยหูฟังเฉพาะสมมติเราต้องการฟังไวโอลินอย่างเดียวอย่างเงี้ยเราก็ฟังได้เช่นเดียวกันบางทีวงดนตรีมีเบสมีกลองมีคนร้องมีกีตา้าอย่างเงี้ยคนกีตา้าก็จะฟังเสียงเฉพาะกีตา้ากับเสียงกลองกับเสียงเบสแต่คนร้องก็ฟังเสียงเฉพาะคนร้อ ง, ง, งนองีงงคนง่คือ เสียงมาหลายๆเสียงเนี่ยเขาก็เลือกฟังเฉพาะที่เขาฟังได้นี่คือลักษณะของเงียหูฟังนะเพราะนั้นเวลาเราฟังไปเนี่ยอาจจะมีเสียงนั้นเสียงนี้อยู่รอบๆข้างไม่เป็นไรเราฟังเฉพาะเสียงนี้นะอันที่3มคือตั้งจิตเพื่อที่จะรู้ทั่วถึงไหนเราทำไงเราถึงจะพยายามที่จะเข้าใจคําพูดที่เป็นคําของพระพุเจ้านี้ได้พยายามเข้าใจคือบางคนฟังฟังอยู่ ฟังแล้วก็งงมึนไม่พยายามที่จะตั้งจิตเพื่อที่จะรู้ทั่วถึงเราก็ตั้งจิตเพื่อที่จะรู้ทั่วถึงไนะหนสําคัญว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องศึกษาเล่าเรียนการตั้งจิตเพื่อที่จะรู้ทั่วถึงเนะี่ยคือหมายความว่าเราพยายามทําความเข้าใจนะคือตั้งใจฟังแล ande, นะ้วฟังด้วยดีด้วยยิ้หูฟังด้วยเราตั้งจิตเพื่อที่จะรู้ทั่วถึงพยายามที่จะศึกษาเอ๊ะทำไมตรงนี้ถึงพูดอย่างนี้ โอ้ฉันไม่เข้าใจเลยอย่าไปคิดว่าโอ้ฉันชาตินี้คงไม่เข้าใจต้องไปคงจะมีบุญน้อยวาสนาน้อยฟังผเรีวัชนะไม่เข้าใจไม่ใช่งันนะให้เราพยายามที่จะทําความเข้าใจแค่นั้นเองนะอย่าให้มีเรียก <c oughs> ว่านิวรณ์เกิดขึ้นคือ <c oughs> ถ้าเรามีจิตที่ไม่เป็นสมาธิเนี่ยมันก็จะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทําจิตให้เป็นสมาธิได้ก็คือตั้งใจฟังตั้งจิตเพื่อที่จะรู้ตัวถึงนั่นเองและสําคัญว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะศึกษาเล่าเรียน ก็จึงทาหน้าที่ของสมณะอีกด้วยการที่ในวันพุธศักหลังจากที่ให้ฟังพุทธวจนะล้ว น, ว น, วนเต็มๆไปเนี่ยก็มาอธิบายให้ฟังอันที่เราได้พูดถึงไปเมื่อวันนี้ก็คือเรื่องของวาจาสะพ้าใหม่ใครที่เป็นสนะพ้าในอยู่บ้านสามีเนี่ยคงจะทราบดีนะหรือว่าถ้าไม่ได้เป็นสะพ้ายคงได้ดูหนังดูละครเรื่องที่สะพ้ายย้ายไปบ้านสามีกันได้อย่างดีนะคือ ในสมัยก่อนหรือแม้ปัจจุบันนี้ก็ตามเวลาหญิงสะภ้ยใหม่นมาที่บ้านเลยก็จะมีแม่สามีใช่ไหมแม่พ่อสามีคนในบ้านอะไรต่างพอสะภ้ายย้ายเข้ามาในบ้านใหม่ก็ต้องทําตัวเขาเรียกว่ า, เ, าเกรงใจเจ้าของบ้านเดิมอยู่นะเกรงใจพ่อผัวแม่ผัวทาดกรรมกรคนใชจนะทุกคนเลยแต่พอล่วงไปเวลาล่วงไปนะอาศัยความคุ้นเคยกันอาศัยความที่ มีความรู้จักกันมากขึ้นบางทีก็ไปตวาดแม่ผัวบ้างพ่อผัวบ้างหรือแม้แต่กษัตริมีนะถ้างนี้ก็มีทีนี้พระพุทธเจ้าเปรียบยกตัวอย่างของสไปเนี่ยกับภิกษุเหมือนกันนะจะเป็นภิกษุหรือเป็นครับว่าก็ได้นะมาอยู่วัดหรือว่าอยู่ปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยภิกษุบางรูปนี่ออกบวชจากเรือนไม่ได้กี่วันแล้วก็ยังมีความละอายความเกรงกลัวมีเหีย่ยวนะเหี่ยตาปากนะเหยวเหี่คือความกลัวแอะความละอายต่อบาสนะอยู่ใน ภิกษุครูบาอาจารย์ภิกษุอื่นพันศามากกว่าเราแค่หนึ่งพันาสองาเราก็ยังเกรงใจโอ้ยไม่ตองวัดแต่พระดหรอกแม้แต่คนวัดสา ม, มเณรเราก็ยังเกรงใจแต่พอล่วงไปสมัยอื่นอาศัยความคุ้นเคยการใสรู้จักกันก็ตาวาดอาจารย์บ้างอุปชาบอกโอยท่านจะไปรู้อะไรหิ๊กไปดิกไปนะไม่เห็นหัวคนอื่นยังไงนี่คือลักษณะ ท, ที่เกิดขึ้นพระเจ้าให้ทํำยังไงพระเจ้าก็บอกว่าให้พวกเธอทั้งหลายเนี่ย ทําจิตให้เหมือนอยู่กับสะพ้ายใหม่ผู้มาแล้วไม่นานผู้มาแล้วไม่นานด้วยนะคือหรือบางทีเราเป็นครรวาไปปฏิบัติธรรมที่วัดรู้จักคนที่วัดก็ยังเกรงใจก็บ้างอะไรต่างๆบ้างแต่พอไปบ่อยๆคุ้นเคยมากแล้วอาวละเริ่มละออกลายละอย่าให้เป็นอย่างนั้นให้ทําจิตให้เหมือนสะพ้ายใหม่ทําจิตให้เหมือนสะพ้ายใหม่ตรงนี้ท่านผังสําคัญมากเลยน ะ, ะเพราะว่าสะพ้ายใหม่เนี่ยมีจิตเป็นยังไงคือไม่ใช่วาจานะวาจาสะพายใหม่นี้ก็ อันนี้ก็ถูกต้องอยู่แล้วต้องมีสมมตวาจ่าแต่ทําจิตให้เหมือนสไปร์ใหม่ผู้มาแล้วไม่นานสไปรใหม่ผู้มาแล้วไม่นานเนี่ยมีฮีริอัตปาแน่นอนอันนี้พุะจ้าตรัสไปเลยนะคือสไปรใหม่ผู้มาแล้วไม่นานยังมีความกลัวและความเกรงใจในพ่อผัวแม่ผัวความกลัวความละอายความเกรงใจตรงนี้คือฮีริอัตตาต้นเองถ้าคุณฟังรู้ไหมว่าฮีริอัตปาเนี่คือความกลัวความเกรงใจความละอายนี่ถ้าเราตั้งไว้อย่างถูกต้องในบาปนะในบาปเรากลัวบาป เราอายบาปนะแค่นี้เราจะทำให้ไปวีมุดได้ทันทีโอฟังอีกครั้งหนึ่งถ้าคุณมีจิตเสมอด้วยหญิงสะภ้ยใหม่ผู้มาแล้วไม่นานมีจิตนะมีจิตนะเสมอด้วยหญิงสะพ้ายใหม่ผู้มาแล้วไม่นานจิตแบบนี้ทำให้คุณไปวีมุดได้โอไปได้ยังไงก็เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยถ้าที่คุณมีฮิริโอตตาเนี่ยพอมีความกลัวความละอายต่อบาปแล้วเนี่ย เราจะเป็นผู้ที่มีอินทรีย์สังวรอินทรีย์สังวรคือการสมรุมอินทรีย์นั่นเองเฮดิโอตตาบาคือความกลัวความลายตถาบานจะทําให้เราเป็นผู้ที่มีความสมมํารวมอินทรีย์แต่พอเรามีการสมรวมอินทรีย์รู้จักรักษาตาหูจมูกลิ้นกายใจของเร า, าก็จะเป็นผู้ที่มีศีลพอมีศีลแล้วไม่ผิดศีลด้วยกายด้วยวาจาศีลเนี่ยจะทําให้เกิดความไม่ร้อนใจไม่ร้อนใจจิตก็เป็นสมาธิได้พอจิตเป็นสมาธิได้คุณก็เห็นตามที่เป็นจริงได้เห็นตามที่เป็นจริงก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายกหนัดได้ ความเบื่อหน่ายใคร่กำลัดนี่แหละทาให้เกิดวิมุติญาทัศนาได้ทีนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะสมมุติคุณมีจิตเสมอด้วยหญิงสบายใหม่ผู้มาแล้วไม่นานขึ้นยี่หิริอตตะประในความกลัวความลายต่อบาปนจะทําให้คุณเป็นผู้ที่มีอินทรีย์สังวรนณความที่รู้จักสำรวมอินทรีย์ต่างหูจมูลิ้นใจได้รับการรักษาละเพราะฉะนั้นแล้วศีลเราจะเกิดขึ้นได้เราจะไม่ทําปิดศีลพอคนไม่ทําปิดศีลแล้วก็มีความสบายใจไม่มีความร้อนใจ ใจที่สบายอย่างนี้ไม่ร้อนใจอย่างนี้ก็เป็นจิตที่เป็นสมาธิได้จิตเป็นสมาธิแล้วก็จะเห็นตามที่เป็นจริงได้พอเห็นตามที่เป็นจริงแล้วก็จะเกิดความเบื่อหนาใครกําหนดนิพิทาแล้วเกิดความเบื่อในใครกําหนดก็ปล่อยวางได้แล้วก็จะเกิดวิมุติญานทัศนะขึ้นมาได้แค่นี้เองทําจิตเหมือนหญิงสบายใหม่ทีนี้อาทําไมหญิงสบายใหม่ที่เขาย้ายไปบ้านสามีทุกคนทุกคนเขาไม่ได้บรรลุเป็นบ้านฐานล่ะหรือบรรลุเป็นอะไรบุคคลล่ะอันนี้ก็ไม่แน่อาจจะเป็นก็ได้ เราอาจจะไม่แน่ว่าหญิงสบใหม่นี่อาจจะเป็นอริยาบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่แต่ที่นนแน่ๆคือต้องทําจิตอย่างนี้เหมือนกันตลอดเวลาคือไม่ใช่เฉพาะตอนที่ไปแล้วใหม่ๆนไป6เดือนปีหนสองปีอ้าวตายละหลีกไปหลีกไปพวกแกจะรู้อะไรละเริ่มละออกลายละเราก็ทําจิตให้เหมือนจะไปใหม่อยู่ต่อเวลาโดยเฉพาะยิ่งคนที่ไปวัดท่านผู้ฟังไปวัดคุ้นเคยละเจ้าอา ว, วาสคุ้นเคยพระละคุคะะ้นเคยเนรละ คุ้นคยผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันละหลายเริ่มออกอย่าให้เป็นอย่างนั้นไปวัดทุกครั้งไปวัดที่เราคุ้นเคยอยู่ก็าตามเราให้ทําจิตเหมือนกับเป็นผู้ใหม่ตลอดเนะีเราจะต้องคอยเกรงใจระวังอะไรเงี้ยมันจะเป็นสิ่งดีเกรงใจระวังในที่นี้ไม่ได้กับสิ่งอื่นๆแต่กับบาปบาปกรรมเนะีเราต้องระวังรักษาไม่ให้มันมีไม่ให้มันเป็นเนะี่ยพอเราจะมีฮีรีอตัตตาได้ท่านผู้ชาจะเคยได้พูดถึงอีกอย่างหนึ่งก่อน ว่าบุคคลเนี่ยเอ๊ะทำไงฉันถึงจะมีความกลัวความลายต่อบาปแต่ทำไงฉันถึงจะมีจิตเหมือนสบายใหม่ได้นะพระพุทธเาพูดถึงเหตุอย่างหนึง่งนั่นคือสติสัมปชัญญะแต่ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะแล้วหีริอัตตปะคือความกลัวและความลายต่อบาปตรงนี้จะเกิดขึ้นได้สติสัมปชัญญะก็คือความที่เรามีที่ตั้งที่ระลึกถึงของจิตนั่นเองพอเรามีสติสัมปชัญญะนะคุณจะทําจิตให้เหมือนสบายใหม่ได้จิตเหมือนสบายใหม่ก็คือมีจิตที่มีฮีริ แล้วอุตปาปะพอเป็นอย่างนั้นแล้วจะมีการสรํารวจมินสีมีการสรํารวจมินม ส, มสีแล้วจะมีศีลมีศีแล้วจะมีความไม่ร้อนใจพอไม่ร้อนใจแล้วจะมีสมาธิมีสมาธิแล้วจะเห็นตามที่เป็นจริงเห็นตามที่เป็นจริงแล้วจะเบื่อหน่ายคลายกําหนัตเบื่อหน่ายคลายกำหนัตแล้วจะปล่อยวางได้ปล่อยวางได้ก็บรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้นี่คือประเด็นพราะฉะนั้นทําจิตให้เหมือนสบายใหม่ท่านฟังนะไม่ว่าจะคุณจะเป็นผู้หญิงคุณเป็นผู้ชายคุณนําได้หมดเรื่องต่อไปที่ได้พูดกัน เมื่อวันนั้นก็คือเรื่องของวาจาแนาวาจาเราได้อธิบายไปบ้างแล้วถ้าเรากล่าววาจาด้วยความที่ควรเก่บเวลาเป็นวาจาสัตร์เป็นวาจาอ่อนหวานมีประโยชน์มีจิตเมตตาอันนี้เป็นวาจาสุภาษิตวาจาสุภาษิตเนี่ยก็คือเป็นวาจาที่มีประโยชน์เป็นวาจาที่เป็นอย่างนั้นโดยเพียงยิ่งคนใกล้ตัวกันเนี่ยสามีภรรยาหรือว่าแม้แต่ลูกก็ตามบางทีพ่อแม่เนี่ยด่าลูกเนี่ยนะโอ้ยด่าเสียหาย ข้าพเจ้าต้องขอเตือนไว้นิดหนึ่งว่าอย่าไปทําอย่างนั้นเพราะว่าโดยเฉพาะยิ่งคนที่มีกําลังจิตปฏิบัติธรรมด้วยแล้วเนี่ยอย่าไปว่าด่าลูกเลยโอ้ยลูกโตขึ้นไปจะไปทําอะไรจะมีอนาคตหรือเปล่าอย่าไปพูดอย่างนั้นนะจิตเรามีกําลังเนี่ยอันนั้นมันจะเป็นวาจาสัตว์นะคือหมายความว่าเราเหมือนกับสาบแช่งเขาละนะเพราะนั้นเราให้พูดดีๆต่อกันถึงแม้ว่าบางทีก็จะทําไม่ดีอะไรบ้างเนี่ยเราก็คอยบอกสอนในเรื่องที่ดีๆอย่าไปบอกว่าเดี๋ยวต่อไปจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ อย่าไปพูดเลยมันเป็นวาจาไม่ดีโดยเฉพาะยิงคนที่มีกําลังจิตเกดิดจิตโกรธขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจิตนั้นมีกําลังนะพุ่งไปนี่โอ้โหทําร้ายคนได้เหมือนกันแล้วก็ด้วยวาจาเนี่ยต้องคอยระวังก็ให้มีสติกํากับอยู่ด้วยเสมอเนะี่ยครูชาบอกว่าการอยู่ร่วมกันเนี่ยจะเป็นอยู่กับคนสะอาดก็ตามคนไม่สะอาดก็ตามเนี่ยต้องมีสติกํากับอยู่ด้วยเสมอนะีและให้สามกีกีกันนะ่ยมีปัญญาจะทําที่สุดแห่งทุกได้ เรื่องถัดมาที่ได้พูดวันนั้นก็คือเรื่องของคู่บุเพสันนิวาสคือสามีภรรยาเนี่ยจะพบกันในพบปัจจุบันแล้วพบกันในพบต่อไปด้วยเนี่ยก็จะต้องมี4อย่างนี้เสมอกันคือสามีภรรยาบางคู่เนี่ยเราเคยเห็นอยู่ด้วยกันมาทะเลาะกันน้อยมากแทบจะไม่ทะเลาะกันเลยแสดงว่าอันนี้เป็นคู่บุเพสนิวาสกันคู่บุเพสันิวาสคือไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาบำเพ็ญบารมีกันในชาตินี้แต่ว่าได้เคยทํามาแล้ว หรือว่าถ้าอยู่ด้วยกันเพิ่งจะมาเจอกันในชาติปัจจุบันนี้อย่างน้อยจะต้องมี4อย่างนี้เสมอการบุญช่าบอกว่าต้องมีศรัทธาเสมอกันต้องมีศีลเสมอกันมีจาคึกการให้การบริจาคเสมอกันแล้วก็มีปัญญาเสมอกัน3 4อย่างนี้เสมอกันเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มีความสำรวมซึ่งกันและกันนะอยู่โดยธรรมซึ่งกันและกันเจรจาคำน่ารักต่อการและกันนะมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งสองฝ่าย มีศีลเสมอกันรักใคร่กันมากมีใจไม่คิดร้ายต่อกันนะสองคนนี้นะคือเนื่องจากว่าถ้าสมมุติคนหนึ่งมีศีลมากกว่ามีศรัทธ า, า, า, า, ามากกว่ามีจาระมากกว่าพอตายไปแล้วเนี่ยสมมติตายพร้อมกันเลยจะไปอยู่กันคนละที่ไปอยู่คนละที่หมายความว่าไงคนที่มีศีลมากก็จะไปอยู่เป็นเทวดาชั้นสูงกว่าคนที่มีศีลน้อยคนที่มีจาระมากก็จะไปอยู่เทวดาที่เป็นสูงกว่าคนที่มีจาระน้อยพอถึงเวลาที่มันเกิดเป็นโลกมนุษย์อีกมันก็ลงมาเกิดคนละวาระละเพราะอายุไม่เท่ากันละ เพร ะ, ะนั้นมันก็จะไม่เจอกันล่ะเพราะฉะนั้นถ้าต้องการเจอกันนะเราก็อยู่ในให้ปฏิบัติตามศีล น, นะศรัทธาจาคย์ปัญญาพวกนี้ก็จะชื่อว่าเจอกันใดทุกๆุกทุกชาติหรือคู่สามีภรรยาในทางตรงกันข้ามบางคู่เนี่ยโอ้ยทะเลาะ ก, กันแต่งงานกันมาทั้งม้อข้าวไปทชันดำเดี๋ยวนี้เป็นม้อไฟฟ้าแล้วพูด เ, เวลา6เดือนอะหเดือนเนี่ยก็ทะเลาะ ก, กัน ล, ละมันก็แสดงว่ามี มีศีลไม่เสมอการทะเลามันไม่ได้มีเรื่องอะไรอื่นแล้วนอกจากเรื่องให้ของเรื่องศีลเรื่องศรัทธาเรื่องปัญญามีความเห็นไม่ตรงกันนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราปรับตรงนี้ได้แต่เราต้องการให้ชีวิตคู่เนี่ยมีผาสุขทั้งสองฝ่ายรักใคร่กันเนี่ยอย่ามีใจคิดได้ต่อกันใะนประพฤติธรรมด้วยประพฤติธรรมเนี่ยทั้งสองคนสามารถเพิ่มศรัทธาศีลจักกะปัญญาได้นันะนี่จะเป็นการดีครอบครัวก็จะสามัคคีกันอยู่ด้วยกันอย่างเป็นความสุข อีกเรื่องหนึ่งที่ได้เล่าให้ฟังนัผู้ชาวเล่าให้ฟังถึงเรื่องของปริยา7จ็ดำพวกนัปริยา7จ็ดำพวกเป็นยังไงก็คือตอนนั้นเนี่ยอนาถะบินทิกาเสษฐีมีสไปค์เข้ามาในบ้านใหม่เป็นสไปค์ใหม่แต่ว่าสไปค์นี้ก็ยังมีความเห็นไม่ถูกต้องกันล่ะก็เลยมีการส่งเสียงเอไอเอโลอะไรกันบ้างนะมีปัญหาในครัวว่างั้นนัผู้ชาวตอนนั้นก็ไปฉันที่ในเรือนของท่านอนาถะบินทิกาเสษฐี ได้ยินเสียงอื้ออึงแล้วโอ้โหอะไรกันเนี่ยเหมือนชาวบ้านงงแย่งปลากันตอนนั้นก็เลยอนาถามิติการเศรษฐีก็เลยมาเล่าให้ผู้ชายฟังว่าเป็นอย่างนี้แหละสะพายเป็นอย่างนี้ก็เลยให้เรียกนางสุชาดามาแล้วก็ถา ม, มานางสุชาดาเนี่ยเป็นภรรยาประเภทไหนว่าอย่างนั้นนางสุชาดาก็ไม่เข้าใจว่าไอ้ภรยาประเภทไหนผู้ชาก็บอกว่ามีเจประเภทนะภรยาที่เสมอด้วยเพชคฆาต ภรยาที่เสมอด้วยโจรภรยาที่เสมอด้วยนายภรยาที่เสมอด้วยแม่ภรยาที่เสมอด้วยพี่สาวน้องสาวภรยาที่เสมอด้วยเพื่อนภรยาที่เสมอด้วยหนังพาตเนี่ยเป็นประเภทไหนชิาก็ไม่เข้าใจโอ้ยอะไรกันเจ็ดจุนพวกไม่ง เ, เคยรู้มาก่อนเลยพวกพราหม์พวกอะไรพวกนี้เขาไม่เคยสอนว่างั้นพี่ผู้ชาพูดอะไรพระเจ้าก็เลยอธิบายต่อให้ฟังอีกเนี่ยถ้าบอกว่าภรยาคนไหนเนี่ยมีใจคิดประทุษร้ายนะมีคิดถึงแต่ชายอื่นดูหมิ่นสามี นะเป็นคนที่พยายามจะฆ่าผัวไม่อนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เกื้อกูลเนี่ยใจแบบนี้จิตใจแบบนี้ของปรพยาผู้นั้นเนี่ยเป็นใจที่มีใจประทุษร้ายเนี่ยก็เป็นพยาเสมอด้วยเพชกาศนะนอนอยู่ข้างสามีก็คือเหมือนคุณเอาเพชกาศคนที่จ้องจะฆ่าคุณทำร้ายคุณคิดไม่ดีคุณเนี่ยไปนอนข้างๆด้วยอันนี้คือประเภทที่1 ห, หรือว่าถ้าคนที่เสมอปรพยาที่เสมอด้วยโจรเนี่ยก็คือว่าได้ทรัพย์มาอะไรต่างก็คิดจะยัก ย, กยอกทรัพย์ นะแม้มีอยู่แต่น้อยมีทรัพย์น้อยก็คิดจะยักยอกทรัพยนะ์ประกอบการงานใดๆมาแล้วเก็เก็บทรัพย์เอาไวนะ้ด้วยคิดว่าจะยักยอกเอาไว้ด้วยเจตนายักยอกแต่ไม่ใช่เก็บหอมรอมริบน ะ, นะ พ, ระพระยาแบบนี้เป็นเหมือนโจรนะมีโจรอยู่ข้างๆตัวนะส่วนข้อที่3ก็คือว่าเป็นคนที่เปรียบชมเหมือนด้วยนายนะพระยาที่เปียบชมเหมือนด้วยนายเนี่ยมีวาจาปากร้ายปากกล้า นะดากล่าวคำหยาบข่มขีผัวนะถ้าผัวเป็นคนขยันขันแข็งเนี่ยภรรยานี่ก็ขี้เกียจกินมากปากร้ายปากกล้าร้ายกาดนะกล่าวคำหยาบด่าผัวเหมืนกันนะภนะรรยาแบบนี้เป็นภรรยาเสมอด้วยนายเนะจ้านายเหมือนเป็นทำมือตัวเป็นเจ้านายเจ้านายงานทำไม่ล่ะไม่ทํานั่งแช่อยู่เฉยแล้วก็ด่าว่าลูกน้องขี้เกียจด้วยข่นะมขีคนอื่นภนะรรยาแบบนี้เป็นภรรยาที่เสมอด้วยนาย หรือแบบที่สนีะ่คอยดูแลเกื้อกูลเหมือนมารดารักษาบุตรนะตามรักษาทรัพย์ที่สามีหาไวนะด้วยคิดว่าถ้าเขาต้องการใช้เราก็จะเอาให้รักษาทรัพย์นี่ไม่เหมือนกับยักษ์ยกัยกษ์น ะ, ะ, ะพระยาแบบนี้ก็คือพระยาเสมอด้วยมารดาเหนะมือนแม่เลยคอยรักษาเกื้อกูลดูแลทุกเมื่อตลอดเวลานะเหมือนกับมารดารักษาบุตรนเองอแบบที่5นะ้าพรรชาพูดถึง พระยาที่มีจิตแบบว่าเหมือนพี่สาวน้องสาวเคารพในสามีเหมเป็นคนละอายต่อบาปเป็นไปตามอำนาจสามีสามีว่ายังไงเราก็ว่าตามนั้นนะเราก็เรียกว่าเป็นภรรยาที่เสมอด้วยพี่สาวน้องสาวอีกประการหนึ่งก็คือภรรยาที่เสมอด้วยเพื่อนนะเห็นสามีแล้วก็ชื่นชมยินดีนะเหมือนเห็นเพื่อนที่จากกันไปานานๆเห็นแบบสมมุติเรามีเพื่อนเนี่ยจากไปนานๆแล้วก็กลับมาเนี่ยโอ้เราก็คิดถึง นะแล้วคนนี้ก็ยังเป็นคนมีศีลมีข้อวัตรปฏิบัติสามีอย่างดีภนะรรยาแบบนี้ก็ชื่อว่าภรรยาที่เสมอด้วยเพื่อนนะสุดท้ายภรรยาที่เสมอด้วยนางทาสีเป็นยังไงนางทาสีก็คือนางทาตนั่นแหละถูกสามีเคี่ยนตีด่าว่าขู่ตะเคาก็ไม่โกรธนะไม่คิดพิโรธสามีไม่โกรธตอบนะอดทนได้เป็นไปตามอำนาจของสามีอันนี้เรียกว่าภรรยาเสมอด้วยนางทาตุกนะ็จะเจอสามีอย่างนี้เราอดทนได้นะอันนี้เราจะจะดีขึ้นมาทีเดียว พุทธาบอกว่าถ้าเบอกว่าเป็นภรยาเสมอด้วยเปชะขาตเป็นภริยาเสมอด้วยโจนเป็นภริยาเสมอด้วยนายเนี่ยสมอย่างนี้ตายเสร็จนะคุณไปนรกเลยแต่ถ้าคุณเป็นภริยาเสมอด้วยเพชะขาตเนี่ยเป็นภริยาเสมอด้วยโจนเป็นภริยาเสมอด้วยนายเนี่ยพอตายแล้วคุณจะไปนรกแต่ถ้าคุณเป็นอีกภริยาแบบหนึ่งคือเป็นภริยาเสมอด้วยมารดาเป็นภริยาเสมอด้วยพี่สาวน้องสาวเป็นภริยาเสมอด้วยเพื่อนเป็นภริยาเสมอด้วยหนังทาส พอตายไปเนี่ยคุณจะไปสวรรค์นันะ่บอกนางสุชาดาอย่างนี้นางสุชาดาที่ยิงนงี้แล้วก็เลยปฏิญญาตัวเองว่าเอา้างั้นขอให้จําไว้ว่าต่อไปนี้ฉันจะเป็นนางาธาตุละในลักษณะ น, นี้นี่คือเรื่องของนางสุชาดาที่เปรียบเทียบกับภรยา7จ็ดำพวกันขอถามว่าท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่เนี่ยเป็นภรยาประเภทไหนนะให้เลือก4ีอย่างหลังเอาอย่างไหนก็ได้เหมือ น, นที่เราจะไปสวรรค์เราจะพ้นจากทุกนี้ได้ อีกเรื่องหนึ่งที่ได้พูดในวันนั้นคือเรื่องของการอยู่ร่วมกันของสามีภรรยาแต่ถ้าสามีเป็นคนทุศีนภรรยาก็เป็นคนทุศีนเนี่ยเหมือนกับผีสร้างศพอยู่กับซากศพนะผีซากศพเป็นยังไงก็คือว่าถ้าตัวเองผิดศีล น, นะว่าพูดกล่าววาจาอะไรมาก็ไม่ดีแล้วมันก็มีของเหมน็เนเหม็ของเน่าเน่ามันออกมาผีเนี่ยคนตายแล้วมันเริ่มเน่าเน่าฟอนเฟสเนี่ยข้างนอกคุณอาจจะยังไม่เห็นแต่ว่าข้างในมันเน่าละ แล้วพูดออกมามันก็เหม็นเหนเหม็นเมก็พูดด่าว่าโกรธไม่พอใจทําสิ่งที่ดูแล้วมันน่าเกลียดเนี่เหมือนผีเนี่ยมันดูน่าเกลียดก็คือเช่นข่าสัต ร, ร์ลักทรัพย์ปิดในกาลพวกนี้เป็นต้นเนี่ก็เหมือนกับซากศพอยู่กับซากศพแต่ถ้าคนไหนเป็นคนที่มีศีลมีศีลทํากิริยาอย่างงดงามมีใจเ อ, อื้อเฟื้อเผื่อแผ่น่ยมันก็ดูงามงามก็เหมือนเทวดาแต่พระชจ้าก็เลยบอกว่าเหมือนกับเทวดาอยู่ร่วมกับเทวดา แต่ถ้าบอกว่าสามีเป็นคนเป็นเหมือนซากศพเป็นคนทุศีลแต่ภรรยาเป็นเหมือนเทวดาเป็นคนมีศีนก็เหมือนกับซากศพอยู่ร่วมกับเทวดาแต่ประเด็นถามว่าคู่ของคุณเนี่ยเป็นแบบไหนเป็นแบบซากศพหรือเป็นแบบเทวดาฝ่ายไหนระหว่างสามีภรรยาก็ต้องดูด้วยว่าสามีคุณมีเป็นเหมือนเทวดาไหมมีความงดงามทางกายทางวาจาไหมภรรยาลักคุณเป็นเหมือนเทวดาไหมมีความงดงามทางกายทางวาจาไหม ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเรามีตรงไหนที่เราแก้ได้ยังเน่าอยู่ยังเละอยู่เราปาดทิ้งเราทําใหม่นะให้มันดีขึ้นมาก็จะเป็นเหมือนกับเทวดาอยู่ร่วมกับเทวดาได้ะนะครอบครัวก็จะมีความสุขแค่เรื่องศีลเท่านั้นแหละที่มันที่สามีภรรยาจ ะ, ะมีปากเสียงกันนะคนนึ่งทำไม่ถูกคนนึ่งทำถูกคิดไม่เห็นไม่ตรงกันนะขอให้ถ้าเรามีศีลมีศรัทธามีจักปัญญาเสมอกัรเนี่ยเป็นคนที่เจรจาถ้อยคํำน่ารักแก่กันและกันครอบครัวนั้นจะเป็น ความเจริญรุ่งเรืองมากมีความฝาสุขคุณคิดดูนะสมมุติสามีภรรยาเนี่ยมีปากเสียงกันเรื่อยเนี่ยมันจะไม่ค่อยจเจริญหรอกครอบครัวนั้นนะแต่ถ้าเราก็ทําไปทําไปนะมีความรักให้าสามมิตรกันเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆดีขึ้นมาได้นะนี่เป็นที่พระเจ้าสอนเอาไว้อีกเรื่องหนึ่งที่ได้คุยเล่าให้ฟังเมื่อวานคือเรื่องของกรรมนะก็ไก่รอหันหมอมา้ากรรมก็คือเจตนา น, นั่นเองเราจะต้องมีเจตนานที่ดีเราถึงสร้างกรรมดีได้ เจตนานี้เราเข้าใจเรื่องกรรมเนี่ยเราต้องเข้าใจด้วยเนื้อยะว่าเหตุเกิดของมันคืออะไรความดับไม่เหลือของมันคืออะไรนะอ่าแล้วก็ตัวมันมีอะไรบ้างก็คือง่ายๆว่ากรรมคือเจตนาแตเจตนาที่พาเราไปดีก็มีไปชั่วก็มีวิธีที่จะดับอ่าให้ไม่เหลือของกรรมก็มีนั่นคือการปฏิบัติตามมรรคมีอง 8. แปดนะกรรมเนี่ยมันแก้ได้ท่านผู้ฟังความดับไม่เหลือของกรรมมีอยู่แต่ถ้าเราดับปัสสาะได้ ถ้าเราละเหตุของมันได้เนี่ยผลของมันก็จะไม่เกิดแต่นอกจากเราพูดเรื่องกรรมแล้วก็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์นเนวันนี้นิดหนึ่งก็ในช่วงปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ทางทีมงานที่ทํางานในรายการธรรมรัตน์บุญเนี่ยมีข้าพเจ้าพระไพ่บูรณ์มีคุณเตือนใจมีคุณปัญญาชุมจำปีมีคุณสมพลชูเมฆเนี่ยก็ได้ประชุมปรึกษากันว่าเอ้เราจ ะ, ะมีของขวัญปีใหม่แจกให้ท่านผู้ฟัง ข, งของวันปีใหม่นี้ก็คือ เราได้รวบรวมเทศนะในรายการธรรมารัรน์ที่บันทึกเสียงเอาไวนะ้ทั้งหมดเลยตั้งแต่ของปี54ปี55ด้วยนะจะมาแจกให้ท่านผู้ฟังโดยรวบรวมบันทึกเสียงไว้ด้วยแบบเดียวกันกับที่เราเออกอากาศนี้เลยนะเป็นความละเอียดในชนิดที่ออกอากาศได้แล้วก็จะทำในรูปแบบของดีวนะีดีแผ่นรวบรวมทั้งหมดข้างในนั้นมีอยู่2 3 200กว่าตอน ใน200กว่าตอนนี้ตอนละครึ่งชั่วโมงโอ้หก็400กว่าชั่วโมงนะท่านผู้ฟัง400กว่าชั่วโมงเป็น MP3 อัดอยู่ใน DVD 1แผ่นนะจะมอบให้ท่านผู้ฟังในช่วงปีใหม่เป็นของขวัญปีใหม่นี้หลังจากนี้ถ้าท่านผู้ฟังท่านไหนต้องการที่จะรับแต่เราก็ทํามา 2,000 แผ่นนะตามที่หลายๆคนมีจิตศรัทธาบริจาคร่วมกันมานะก็คุณตือนใจก็บริจาคมา 3,4,5,000 แผ่นช่วนะรวมกันทํา ก็ไม่ได้เป็นงบประมาณของทางราชการอย่างไรก็ร่วม ร, ว ม, รวมกันในลูกศิษย์ลูกหานี่แหละเสร็จแล้วก็เราก็จะทําแจกให้ท่านผู้ฟังทุกท่านที่ขอมาขอมานี่ก็มีเงื่อนไขนิดนึงนั่นก็คือว่าขอให้ส่งซองที่เป็นซองกันกระแทกด้วยแล้วก็ติดสเต็มเก้บาทจากหน้าซองถึงตัวเองแล้วก็ส่งซองเปล่านี้มาแล้วก็ขอสมควรจิไว้ที่คนละ1ชุดไอ้ข้อมูลที่รับไปนี้จะทําแจกก็ได้ไม่ว่าอะไร จะเป็นธรรมทานเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟันต้องการจะรับของขวัญปีใหม่ชุดนีนะ้ก็ส่งมาให้ส่งไปที่สถานีวิทยุประจายเสียงแห่งประเทศไทยถนะ น, นวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400นะเป็นดีวีดีบรรจุรายการธรมรมรัตนะ์ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วปี54แล้วก็ปี55ที่ข้าพเจ้าได้นะบรรยายทำเอาไวนะ้ทั้งหมดประมาณสัก200กว่าตอน 200กว่าตอนก็ประมาณร้อยกว่าชั่วโมงนะเขาไปแตนะ่ไม่ใช่400ชั่วโมงร้อยกว่าชั่วโมงนะอยู่ในนั้นนะเราก็จะขอรับได้นะก็มีขอให้ส่งซองที่เป็นซองกันกระแทกด้วยนะจะได้ไม่มีความเสียหายกับ CD DVD ีีที่ส่งไปให้ส่งซองกันกระแทกติดสเต็ม9บาทนะแล้วก็จ่ากหน้าซองถึงตัวเองนะก็จะได้รับ CD นี้เป็นของขวัญโดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิน้น ให้ส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสีย ง, งประเทศไทยแต่ถ้าส่งมาที่วัดป่าดอวไทโซเนี่ยจะไม่ไม่มีอาส า, าสมัครทําให้แต่ที่นู้นยังมีเจ้าหน้าที่ช่วยรวบรวมข้อมูลเอาซีดีดีวีดีใส่ซ อ, องส่งไปให้อยู่แตส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสีย ง, งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพหนึ่งศูนย่ศซองที่เป็นซองกันกระทแทกติดสเตมเก้บาทจ่ายหน้าซองถึงตัวเองก็จะรับของขวัญปีใหม่จากทางรายการในทางรายการธรรมรัตณ มีข้าพเจ้าพระไบบูรณ์มีคุณเตือนใจสินตุวนันณะิกมีคุณปัญญาชมจำปีมีคุณทรงผลจูเวศเนี่ยเราพยายามที่จะนําธรรมะดีๆนํามาเสนอในรูปแบบต่างๆกับท่านผู้ฟังเสมอในช่วงของปีใหม่นี้นอกจากจะมีของขวัญแจกให้แล้วนะในปีถัดไปก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมีข้อมูลดีๆที่จะนําทํารายการของเราให้มันดีๆยิ่งขึ้นนะในขณะเดียวกันเราก็รับฟังคําคิดเห็นของท่านผู้ฟังเหมือนกัน นะสามารถส่งจดหมายมาได้ที่สถานีวิทยุก็จะเสียงแห่งประเทศไท ย, ไทยก็ไดนะ้ไอความเห็นต่างๆก็ส่งมาที่วัดป่าดอนไหนโศกได้นะที่เลขที่1หมู่8ปดตำบลดอนไหนโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีส่งมาแล้วหรือว่าถ้าใครสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ purethamma com ก็ได้ p u r e d h a m m a นะก็จะนํามาตอบในวันพุธให้ฟังหรือในวันเสาร์อาทิตย์ที่มีโอกาสเหมาะสมที่จะคุยกับคุณเตือนใจได้ ในการธรรมาราปรุวันนี้กับเจ้าพระไปบูณแั่นก็ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เช่นกัน